หนึ่งและสุนวัคสิขาบทที่เก้าว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกกำแพงเรื่องภิกษุณีหลายรูปแ2ด่สสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งมีนาข้าวเหนียวแปลงหนึ่งอยู่ติดกับสำนักภิกษุณีพวกภิกษุณีเทอุจาระบ้างปัสสาวะบ้าง อยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างทิ้งลงในนาข้าวเหนียวของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ตำหนิพระนามโภนทนาว่าฉะในพวกภิกษุณีจึงทํานาข้าวเหนียวของเราให้เสียหายแล้วภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพราหม์นั้นตําหนิพระนามโภนทนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิพระนามโภนทนาว่าฉะในพวกภิกษุณีเทวจาระบ้างปัสสาวะบ้างอยากเยื่อบ้าง ของเป็นเดนบ้างลงบนของเขียวเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบถวบพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ